ฉันทะอยากชั่วตัณหาอยากดีมีหรือไม่อาจมีผู้สงสัยว่าในเมื่อฉันทะอยากทำดีหรืออยากให้มีภาวะที่ดีแล้วฉันทะจะอยากทำชั่วหรืออยากให้มีภาวะที่ชั่วบ้างไม่ได้หรือพึงพิจารณาว่าเหตุที่คนทำชั่วก็เพราะเห็นแก่การจะได้เสษเวทนาอันอร่อย หรือไม่ก็ต้องการจะเสริมหนุนความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้หรือไม่ก็เพราะต้องการให้ตัวตนพรากพ้นไปจากสิ่งหรือภาวะที่ไม่ปรารถนาหรือเพราะมีลักษณะการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่แค่ปลายเส้นประสาทกล่าวคือได้รับรู้อารมณ์ที่ถูกใจก็ชอบใจอยากได้จะเอาได้รับรู้อารมณ์ไม่ถูกใจ ก็ขัดใจชังอยากทำลายประพฤติตัวและกระทาการต่างๆไปตามอำนาจของความชอบใจขัดใจหรือความชอบความชังเท่านั้นรวมความก็คือที่ทำชั่วก็เพราะเป็นไปตามกระบวนธรรของอวิชชาตันหาหรือเรียกให้เต็มว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานเป็นอันว่าอาวิชชาตันหานั่นเอง เป็นเหตุของการทำความชั่วความอยากทำชั่วจึงต้องมาจากอาวิชชาตันหาตามหลักความเป็นเงื่อนไขที่กล่าวแล้วส่วนชันทะเกิดสืบเนื่องจากความรู้ความเข้าใจความชื่นชมความดีงามสมบูรณ์ตามสภาวะหรือความสำนึกในเหตุผลที่ได้พิจารณาแล้วโดยอิสระจากความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจจนรู้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นคุณประโยชน์แท้จริงจึงโน้มน้อมใจไปหาสิ่งนั้นเมื่อจิตโน้มน้อมไปสู่สิ่งหรือภาวะที่ดีนั้นแล้วก็จึงเป็นอันพ้นไปเองโดยอัตโนมัติจากการที่จะกระทำความชั่วตามอิทธิพลครอบงาของความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดจากตัณหาโดยในยะนี้ชันทะจึงไม่อาจเป็นความอยากทาชั่วหรือความอยากให้มีภาวะที่ชั่วอย่างไรก็ตาม การกระทำโดยฉันทะก็อาจมีการผิดพลาดได้เนื่องจากการคิดพิจารณาไม่สมบูรณ์หรือความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเป็นต้นผลดีที่ต้องการอาจไม่เกิดขึ้นหรือผลร้ายกลับเกิดขึ้นแต่เมื่ออวิชชาตันหาที่เป็นตัวการที่แท้ของการทำชั่วถูกตัดออกไปแล้วการที่จะพูดถึงความผิดพลาดเหล่านั้นและวิธีแก้ไขต่าง ก็เป็นเรื่องคนละขั้นตอนที่ควรจะแยกไปพิจารณาต่างหากจากที่นี้ในทางตรงข้ามก็อาจมีผู้ถามว่าตัณหาอยากในทางที่ดีคืออยากทำดีอยากในสิ่งดีงามและภาวะที่ดีบ้างไม่ได้หรือซึ่งก็ตอบได้ทันทีว่าได้และเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งด้วยแต่ความอยากในทางดีของตัณหา จะเป็นไปในลักษณะของความเป็นเงื่อนไขโดยมุ่งหวังว่าจะอาศัยภาวะดีงามนั้นเสพเวทนาอันอร่อย ไ, ได้มากขึ้นหรือภาวะนั้นจะช่วยเสริมขยายความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่แก่อัตตาของตนความอยากดีอย่างนี้ตามปกติเป็นบทบาทของภาวะตัณหาเช่นอยากเกิดเป็นเทวดาจะได้มีนางฟ้ามากมายเป็นบริวารจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ อายุยืนนานสเสวยของทิพย์อยากเป็นวีรบุรุษวีรสตรีตัวตนจะได้ขยายใหญ่ขึ้นด้วยคำยกย่องสรรเสริญอยากเป็นพระโสดาบันจะได้เป็นผู้สูงเลิศกว่ามนุษย์สามัญหรืออย่างง่ายๆอยากเป็นคนดีจะได้มีเกียรติคนยกย่องนับถือเพิ่มความมั่นคงยิ่งใหญ่แก่ตัวตนดังนี้ต่็นต้น พูดอย่างรวบรัดว่าจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่ขอให้เป็นเงื่อนไขเพื่อจะได้เสพสุขเวทนาหรือปกป้องรักษาเสริมขยายอัตตก็แล้วกันตันหาอยากได้ทั้งนั้นและเพราะตันหาอยากดีบ่อยๆนี่แหละจึงทําให้เกิดความสับสนปนเปกับฉันทะเป็นปัญหาในการทําความเข้าใจและแยกออกจากกันหมายเหตุเชิงอัด อยากทำลายอัตตาหรืออยากให้อัตตาดับศูนซึ่งเป็นวิภวะตัณหาก็ดูคล้ายเป็นอยากดีได้เหมือนกันเช่นอยากเป็นพระอรหันต์โดยมีอุจเฉททิฏฐิว่าจะได้ดับศูนย์เลิกเกิดเสียทีแต่ถ้าอยากเป็นพระอรหันต์เพื่อจะได้เป็นบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นภวะตัณหา